โลกอันอะไรหุ้มห่อไว้อะไรหุ้ม ห, อหม่อไว้อวิชาหุ้มห่อไว้โลกนะอะไรฉาบทาไว้ตันหาฉาบทาไว้โลกมีอะไรเป็นภยัยทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกอ่าวันนี้เดินวันนี้ซึ้งในเรื่องนี้มากมานึกอุปามาโลกเนี่ยถูกอวิชาหุ้มห่อไว้นะ แล้วก็บอกโรคอวิชาหุ้มห่อไว้ถูกตันหาเนี่ยรูปไลไว้แล้วก็ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งของอัลมาเนี่ยเป็นโรคเอผิวหนังมันคันมากเลยนะทีนี้เราก็นึกถึงตอนที่เรากําลังเกาในความมืดอ่ะมืดเนี่ยเกาหลับตามองไม่เห็นเนื้อนะอวิชานี่มันเหมือนกับหลับตาเลยทีนี้เวลาเกามันคันเอ้มันสนุกดีมั้งกันนะมันเพลินมั้นกันในขณะเกา มันมันดิอันนั้นแหละเป็นเครื่องฉาบทาโรคเสร็จแล้วไอ้โรคนั้นมันก็กำเริบมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเป็นภัยใหญ่ของโลกภัยใหญ่ของชีวิตในขณะนั้นนะัน่นแหละอื่นๆก็เหมือนกันะชีวิตในขณะอื่นๆก็เหมือนกันชีวิตของพวกเรานาะถ้าเราลองหลับตาดูสิว่าเราถูกคุ้มห่อไว้จริงหรือเปล่าทุกคนลองหลับตาดูนะหลับตานะว่าเรานี่ถูกคุ้มหอ่อเพราะเราหลับตาแล้วเรามองไม่เห็นอริยสัจ นั่นแหละคนที่มีอวิชาหุ้มห่อเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราหลับตาปุ๊บก็ยังเห็นอริยสัจลืมตาก็เห็นอริยสัจหลับตาก็เห็นอริยสัจคนนั้นแหละเป็นโลกที่ไม่บอดโลกคืออะไรโลกคือสัตว์โลกโลกคือนะโลกนรกโลกเปรตโลกอสุรกายโลกสัตว์เดรัจฉานโลกมนุษย์โลกเทวดาพรหมขันโลกธาตุโลกอายตนะโลกก็ นี่แหละที่นั่งนั่งกันอยู่นี่แหละเรียกว่าโลกโลกอันนี้เนี่ยมีวิชาเนี่ยปกปิดหุ้มห่อไว้หมดที่เราดูเหมือนมองเห็นเพราะเราลืมต า, าลองหลับตาดูนะเราจะไม่เห็นสัจจะเลยลองไฟดับดูเนี่ยมืดเม็ดหมดเลยเราถ้าในขณะที่เราหลับตาเลยนะเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาเอาตัวไหนเป็นที่พึ่งของเราจริงๆเลยในชีวิตของเราเนี่ยซึ่งหาความปลอดภัยไม่ได้ ในยุคแผ่นดินไหวเนี่ยขณะที่แผ่นดินกําลังจะไหวเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในตุรกีไงกําลังไหวอย่างนั้นน่ถามว่าเราอะไรเป็นที่พึ่งสภาพจิตในขณะนั้นหรือเราเห็นคนประสบบัติเหตุเนี่ยใครไม่เคยเห็นบ้างถ้าเราไปประสบอุบัติเหตุแบบนั้นเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งครั้งใจของเราในขณะนั้นนั้นเรากล่าวได้ไหมว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรอง พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสไว้เสมอนะว่าสิ่งที่ขอไม่ได้เลยก็คือหนึ่งผู้ที่มีชาราเป็นธรรมดาขออย่าชารามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ขอได้ไหมมีความตายเป็นธรรมดาขอเลยอย่าตายขออย่าพลาดพลากจากของรักของชอบใจขอไม่ได้สักอย่างเลยเมื่อมันขอไม่ได้ในชีวิตของเราในขณะนั้นๆแล้วเนี่ยเอาอะไรเป็นที่พึ่ง ชีวิตที่ผ่านมาเนะพอจะมีฟางเส้นเดียวติดตัวไปข้างหน้าไหมนั่นแหละแต่คนที่เขาเจริญกุศลมามากๆนะเขาก็ยิ้มละแต่คนที่เจริญกุศลมาไม่มากนะักอุดอาเรียกว่ากุากุจะเจตสิกเกิดทันทีเลยวิบ ป, ปฏิสารขึ้นนึกถึงกุศลธรรมที่ไม่เคยทําไม่เคยเจริญกุศลธรรมที่ก่อมาก่อนคือที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เกิดกุกุจจะแต่พูดให้รู้ว่า อะไรควรอะไรไม่ควรนั่นแหละอะไรควรเจริญไม่ควรเจริญพันธการเจริญกุศลนั่นแหละเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดนั่นแหละพันธ์ขณะที่กุศลจิตเกิดนะอาศัยพระธรรมคําสอนนี่เขาเรียกว่ายาได้เกิดขึ้นในขณะนั้นเรากําลังเริ่มฐานยาแล้วนะพันธ์ถ้าหากว่าไม่กุศลจิตอันนี้ไม่เกิดเราไม่มียาและและเราเป็นคนจนที่สุดในบรรดาคนทั้งหลายทุกขตะยากจนนั่นแหละก็คือมหาทุคตะที่เขาจนจนกันอยู่นะ เพราะเขาไม่มีกุศลธรรมเหล่านี้เขาจึงจนสัตว์ในราจฉานสัตว์ในอบายทั้งหลายแหละที่เขาเป็นสัตว์ในอบายเพราะเขาไม่มีกุศลธรรมเหล่านี้เขาจึงไปเกิดในอบายสัตว์นรกที่ตกนรกเพราะเขาไม่มีกุศลธรรมเหล่านี้เขาจึงตกนรกงั้นถ้าเราหากุศลธรรมในจิตใจของเรายากนะชีวิตของเรานั่นแหละยิ่งกว่าคนกาําพายหน้าสงสารนะถ้าเป็นอาตมาเนี่จะสงสารตัวเองมากเลยนะแต่ทุกวันก็ยังสงสารอยู่ ก็เลยเอ๊ะทำยังไงกุสละจิตจะได้เกิดมากๆหน่อยหากิจกรรมให้ตัวเองทาหน้าดวม ก, กันนะแล้วตงรงนี้พ้นขวายอ่ะก็บอกเมื่อเรือนถูกไฟไหมใช่ไหมบ้านถูกไฟไหมเนี่ยเจ้าของบ้านนั้นเขาขนท่าผสมภาระอะไรออกไปได้ของนั่นแหละจะเป็นของติดตัวเข้าไปโลกนี้ก็เหมือนกันโลกถูกไฟไหมไฟคือชราพยาธิและมรณะเนี่ย แผดเผาอยู่ตลอดเวลาไฟคือราคาก็เผาไฟคือโทสะก็เผาไฟคือโมหะก็แผดเผาอยู่ตลอดเวลาวัตถุภายนอกเราจะติดตามตัวไปได้ด้วยการให้ทานวัตถุภายในข้างหน้าเนี่ยนะจะได้บริบูรณ์ดีเพราะศีลทานเป็นปัจจัยให้วัตถุภายนอกศีลเป็นปัจจัยให้ได้รับกรรมชรูปที่ดีข้างใน ภาวนานั้นะเป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อกุศ ล, ลจิตภายในอีกครั้งหนึ่ง น, นั่นแหละอันชีวิตของเราเ น, นถ้าแบ่งก็คือส่วนที่เป็นวัตถุภายนอกส่วนที่เป็นร่างกายและก็ส่วนที่เป็นความนึกคิดส่วนที่เป็นความนึกคิดนั้นจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าเรียกว่าอะไรจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าปฏิสนธิจิตพบหน้าเราควรจะปฏิสนธิด้วยจิตชนิดใด เอาเราศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราทางโลกนะเขาเรียนวิชาทางโลกโลกเขารู้เลยนะค้าขายเนี่ยเขาเขาจะได้เลยใช่ไหมถ้าเขาลงทุนอันนี้กําไรเท่านี้จะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วิชาเศรษฐศาสต ร, ร, ร์วิชาอื่นๆทั่วไปเขาสามารถรู้ผลเลยใช่ไหมวิชาธรรมะเรียนไปแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแสดงว่าผิดพลาดแน่นอนนั้นเราต้องคำนวณได้สิเพราะเรามีอาจารย์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เราพระองค์สอนไว้หมดเราต้องสามารถคํานวณเรื่องชีวิตเราได้ ถ้าคำนวณชีวิตไม่จบแสดงว่าโอ้เรียนอีกนานก็คำนวณอยู่บ่อยๆเหมือนกันเจนพานียเพราะว่าทำการค้าตลอดเวลาเลยใช่ไหมหาบุญค้าบามันค้าตลอดเวลาเลยเพราะว่าเจตนาทุกขณะจิตเน่ยในชาวนะนะเจนาเจตนาในชาวนะทุกขณะทุกชาวนะมีผล ไม่รู้ว่าชัไหนมันขัดทุนหรือกําไรก็ไม่รู้การค้านี่ยการค้าอย่างเลวที่สุดของพ่อค้าคือทุนคืนถอนทุนคืนได้นี่ก็ได้ทุนคืนก็เก่งแล้วมันเป็นมนุษย์อีกนี่แล้วก็เก่งแล้วนะครับะของเราก็เหมือนกันถ้าถอนคืนคืนเป็นมนุษย์คืนได้นี่ก็เก่งมากถ้าเป็นเทวดาถือว่ากําไรนะถ้าหากว่าบรรลุเป็นพระรยาเจ้าได้นะถือว่าเศรษฐีแลนะมหาเศรษฐีเลยเป็นมหาเศรษฐีเลยเจนนน่าถ้าเราสามารถเจริญสําเร็จ ท่านถ้าผู้มีพระภาคนั้นจึงเป็นผู้ประทานทรัพย์พระองค์เนี้จะบอกวิธีการอาได้ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในพระอริยสงฆ์เนี่ยคือผู้ที่เข้าถึงอริยทรัพย์ที่สุดเลยเปผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีจาคะไม่มีสุตตะไม่มีปัญญาไม่มีหิริไม่มีอดัปปานี่นะเป็นผู้ยากจนในวินัยของพระอริยะนท เขามีเรื่องสมัยที่สุปะพุทธกุติสุปะพุทธกุตินั้นเป็นคนยากจนที่สุดในเมืองราชครึกคือจนถึงขนาดว่าขอทานกินอย่างเดียวแล้วในร่างกายของสุ ป, ปะพุทธกุติเป็นโรคเรียกว่าเรือรเร้อนโรคเรื้อนโรคเรื้อนสมัยก่อนเป็นโรคที่น่ารังเกียจเหมือนกับโรคบางอย่างในสมัยนี้นั่นแหละ นี้โรคเรือนนั่นอะ่ะมันมีมแมลงวันเนี่ยไต่ตอมตลอดนะตัวก็เป็นแผลน้ำเหลืองก็ไหลเยิม้มตลอดเดินระหกระเหินตามถนนหนทางใครใครจะให้อาหารกินก็คงไม่ให้ด้วยมือแล้วมั้งเขากลัวจะติดเชื้อใช่ไหมเขาคงเอาไปวางไว้ให้อะ่ะมากินนะเหมือนให้อะไรอย่างงี้เอาอาหารไปวางไว้อกินนะเหมือนให้อะไรนั่แหละคนบางคนเนี่ยเหมือนกันเปี้ยเลยชีวิตเขานี่ คิดว่าจนขนาดนี้แล้วอนาถาด้วยโว้ยจนถ้าทุกขนาดนั้นใครอยากจะนับเป็นญาตินั่ง น, นะนั้นก็เลยถึงเขาเป็นมีญาตินะคนทั่วไปคงไม่นับถือคนนี้เป็นญาติแน่นอนนั้นจึงอนาถาทั้งกายทั้งทั้ ง, งร่างกายด้วยทั้งทรัพย์สินด้วยทั้งญาติด้วยมาหาทุกขตาที่สุดในเมืองราชเครกสมัยนั้นทีนี้วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็กําลังทรงสแสดงธรรมอยู่คนก็มาฟังธรรมกันเต็มไปหมดเลย สุปาปุูา้ทกุฏิเห็นคนเยอะๆเนี่ยโอ้เราไปตรงนั้นเขาน่าจะให้อาหารเรากินบ้างดังั้นคนที่ทุกๆมากๆนะขอภายนะเหมือนกับสุนัขที่มันพร้อมโซ่นะเห็นเขาทําอะไรไมันคิดถึงแต่อาหารอย่างเดียวคนที่ทุกๆท้องหิวเหมือนกันนึกอะไรนะมันมองเห็นคนจะนึกถึงอาหารด้วยบ้านนพอมีอาหารหรือเปล่าบ้านนี้พอมีอาหารหรือเปล่านะพอที่จะให้เราทานหรือเปล่าดงั้นเขาก็เห็นคนเยอะๆก็เข้าไป เผื่อจะได้มีอาหารทานกับเขามั้งทีนี้ไปเอเขาพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยูอ่ลองฟังดูสักหน่อยที่เขาพูดอะไรกันตรงนี้ไม่มีอาหารออเขาฟังธรรมกันอยู่ก็นั่งฟังพระพุทธเจ้ารู้อุปนิสัยของสุ ป, ปะพุท ธ, ธากุธิพระองค์เลยแสดงอนุปุพพิการะพูดเรื่องทานเรื่องศีลแล้วก็เรื่องสวรรค์แล้วก็ การมาทีนกนโทษแล้วพระองศ์ก็ประกาศอริยสัจจะทำสุปาุู้ทกุฏิฟังจบเป็นพระโสดาบันทีนี้พอเป็นพระโสดาบันก็จะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยก็คนเยอะนะทีนี้มันก็รู้ฐานะของตัวเองอยู่อนะเดินมาคนก็แตกหนึ่งนั่นแหละลก็เลยหลบไปให้คนกลับไปหมดเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอถึงไตรสารณครจิตนี้โดยจิตเนี่ยถึงโล ก, กุตราสารณคมแล้ว มหาภูษลก็มาเป็นโลกิยสรณาคมด้วยนะเสร็จแล้วพอเดินออกไปเนี่ยพระอินก็บอกพระอินเนี่ยลงมาเลยหอรรสมีรุ่งโรจน์มาเลยสุปาพุทธถ้าเธอพูดว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์จะประทานทรัพย์อย่างประเสริฐให้น่าจะยกสมบัติให้เลยก็บอกโอ้ยเทวดาพานไปออ <c oughs> ไ่ น, นี้เนี่ยนั่นแหละ เสร็จแล้วสุปาพุท ธ, ธาก็เดินตายไม่นานก็ถูกวัวขวิดตายนะเพราถูกวัวขวิดตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินยังหลบเลยอ่ะบุญแกเยอะกว่าเพราะแกมีอริยทรัพย์ใช่ไหมหนึ่งสุปาพุท ธ, ธาคนนี้เนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามั่นคงเป็นอริยสัทธามีศรัทธาในพระธรรมมั่นคงเพราะเห็นนิพพาน เป็นผู้มีศรัทธาในพระสงฆ์อย่างมั่นคงเพราะตัวเองปฏิบัติได้ถึงขั้นนั้นเพราะพระสงฆ์ทั่วไปก็ต่ำที่สุดก็คือโสดาปติมัติท่านเนี่ยมั่นคงในนั้นเพราะท่านก็หนึ่งในจํานวนอารยะสงฆ์ทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคด้วยท่านเป็นผู้ศรัทธาในกุศลธรรมนี่ด้วยนั่นแหละงนั้นท่านเป็นผู้ที่มีศีลอย่างน้อยที่สุดพระโสดาบันเนี่ยให้ข้ามมดท่านก็ข้ามไม่ได้เรียกว่าเป็นศีลที่เป็นอริยการตศีล เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยวินยูชนตําหนิไม่ได้ดังนั้นท่านเป็นผู้ที่มีศีลท่านมีสุตตะสุ ต, ตะของท่านคือท่านได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนอ่านะคำว่าได้ยินได้ฟังพหูสูหรือสุตตะเนี่ยไม่ได้แปลว่าฟังพระไตรปิฎกทั้งพระไตรปิฎกแต่หมายความว่าฟังสองคาถาก็ตามหรือคาถาเดียวก็ตามแล้วเอาไปปฏิบัติตามได้สมควรแก่ธรรมะนั้นๆเรียกว่าเป็น หูสุดคือทรงจําและปฏิบัติตามนั้นนั้นได้อย่างเช่นฟังว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปการเข้าไปสงบระงับสังขาร น, นี้ได้เป็นสุขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาะปลารบตรึกเพ่งเรื่องราวเหล่านี้จนเห็นสงบระงับอะไรจึงธรรมะอะไรที่สงบระงับสังขารได้นิพานนั้นคนที่เห็นนิพานนั่นแหละจึงจะเห็นธรรมะที่สงบระงับสังขารทั้งหมด คนที่ฟังแค่นี้แล้วปฏิบัติตามสมควรอย่างนี้ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่แก่ธรรมนี่เป็นคนมีสุตตะผมกําลังปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผมสังเกตเสียงของท่านเสียงของท่านนี่ปัจจุบันสันตตีนี่นะบางคํำก็ยาวบางคํำก็สั้นถือว่าผมปฏิบัติธรรมสมควรจะทําไหมครับนี่<อ>มันก็หายไปนี่มันก็เกิดนะนี่มันก็หายอะ่ะแล้วโสดาปฏิมากเกิดหรือยัง ถ้ายังก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่สมควรแก่ทาปฏิบัติแล้วล่ะแต่ยังไม่สมควรคือถ้าสมควรปรั๊บมรรคจิตผลจิตต้องเกิดอันนี้นแสดงว่ายังยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ถึงกับสมควรนะแต่ดีแล้วเสียงนี้มาจากสมุทฐานเป็นมีจิตเป็นสมุทฐานมีฐานของการออกเสียงทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นสมุทฐานคิดเอาอีกครั้ง คงไม่รังเกียจ น, นะเรื่องการคิดอะเพราะว่าผมคิดตามที่พระผู้ภิพกษ์ท่านตรัสให้คิดครับ่แหละนะพระโสดาบสุปาผู้ทกุฏินั้นเป็นผู้ที่มีทรัพย์คือฮิรโอตปะนะในเรื่องของคนที่อายชั่วพระโสดาบันท่านอายชั่วมากกลัวบาป พ, พระโสดาบันท่านเป็นผู้กลัวบาปนั่นจึงเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของท่าน และทรัพย์ของท่านคือปัญญาสา ม, มารถอย่าง น, น, น้อยที่สุดกรรมและผลของกรรมเนี่ยมั่นคงมากนะวิปัสนาปัญญาของท่านก็มีมรรคปัญญาของท่านก็มีท่านจึงเป็นคนที่มีทรัพย์มากมายมหาศาลพอไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนียท่านเป็นคนรวยที่สุดในช่วงนั้นนะแล้วแผลหายเปล่ากันโอ้เป็นเทวดาเขาคนโรคเรือนนี่ไม่เป็นเทวดาอยู่ในในสวรรค์แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้น อริยทรัพย์อันประเสริฐนี่นะถ้าเกิดในบุคคลใดชีวิตของบุคคลนั้นเป็นคนที่ไม่หมันเป็นชีวิตของคนไม่ขัดสนเลยและอย่างหนึ่งถ้าเรามาสํารวจทรัพย์ของเราทรัพย์คือศรัทธาของเราก็ในพระรตนตรนัตรเราก็มีแล้วทรัพย์คือศีลแหละนะศีลเป็นเรื่องของกายกรรมกายกรรมที่ไม่มีโทษเรียกว่าศีลวจีกรรมที่ไม่มีโทษเรียกว่าศีล นนะมีกายกรรมไปเบียดเบียนใครไหมวันนี้ตารวจดูนะหนึ่งกายกรรมนั้นเบียดเบียนตนไหมสองกายกรรมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมการกระทำยืนเดินนั่งนอนตั้งแต่เช้ามาจนถึงนี้เนี่ยคิดว่าให้ผลเป็นสุขหรือให้ผลเป็นทุกข์ละการยืนเดินนั่งนอนเป็นกายกรรมหมดเลยเนะอิริยาบทเหล่านี้เนี่ยทั้งใหญ่ทั้งย่อยเนี่ยเป็นกายกรรมหมดเลย เมื่อเป็นกายกรรมเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจิตที่ทําให้ยืนเดินนั่งนอนมีกี่ดวงพวกเราทั่วไปก็ยี่สิบนะเอาม่งเอาชาวนะยี่สิบดวงยี่สิบดวงนี้ใครกล่าวได้ว่าเดินด้วยชวนะประเภทไหนมากนั่นแหละบ่งบอกว่าให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นแหละถ้าอิริยาบถ ท, ที่ทําให้เกิดการยืนเดินนั่งนอนเป็นเป็นไปกับกุศลแสดงว่าเรา จเจริญเหตุแห่งความสุขแล้วล่ะนั่นแหละอนุโมทนาด้วยอันนั้นนั่นแหละเป็นคนมีศีลทางกายทีนี้วาจาล่ะวาจานี้ใครพูดน้อยที่สุดในวันนี้มีไหมอ๋อมาเนี่ยพูดมากเลยวันวันหนึ่งโอ้หลายชั่วโมงแต่ก็ยังไม่ด่าใครเลยตําหนิบ้างเป็นบางครัง้งตามสมควรแก่การตําหนิดังนั้นการใช้วาจาเนี่ยเอ้ยที่พูดพูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เช้าเยันเย็นเนี่ยพอจะได้บุญไหม เพราะยังไงเราพูดอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อพูดจิตที่ทําให้พูดต้องเป็นกุศลกับอกุศลเรียกว่าวาจีสังขารเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราสามารถรู้ได้เลยว่าเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนตนแปลว่าพูดด้วยอกุศลแลจิตสองเบียดเบียนผู้อื่นไหมพูดแล้วทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมกําไรแห่งการใช้วาจานี้เป็นอะไรคือยังไงต้องเป็นมีกําไรอยู่แล้วละ่ะกําไรบุญหรือกําไรบาปหรือกําไรอริยะ คนทำบุญนั้นก็คือเป็นกำไรที่ดีแต่ถ้าบุญประเภทวิวัตตานี้กำไรเพื่อเป็นอริยะดังนั้นการใช้วาจาของเราบุญกับบาปสองอย่างแค่นั้นแหละขอให้อ้าปาดอ้าเนี่ยบุญกับบาปได้ละแค่นั้นแหละพูดอะไรก็ตามไม่บุญก็บาปถ้าการใช้วาจาที่ไม่มีโทษบุคคลนั้นแหละเป็นผลมีมีศีลดีหาตำหนิไม่นะเออตั้งแต่เช้ามานี่ไม่มีหน้าตําหนิเออพูดใช้ได้ละ ไม่เดือดร้อนเพราะการพูดของตัวเองไม่เดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเองคนนั้นแหละเรียกว่ามีอวิปปิสารนี่เป็นอันนี้สองของศีลถ้าคนที่รักษาศีลได้ดีที่สุดคือคนที่ไม่เดือดร้อนกับกายกรรมและวจีกรรมของตัวเองแต่ศีล น, นะเหล่านี้เนี่ยองบอกว่านะถ้ามันไม่ร่วงถึงกับขาดก็อธิษฐานเอาใหม่นะต่อไปจะไม่ปล่อยให้พฤติกรรมแบบนั้นเกิดอีก ต่อไปจะไม่ให้วัจีกรรมเหล่านั้นเกิดอีกอธิษฐานเพื่อที่จะใช้วาจาไปเรื่อยๆเขาจะเรียกศึกขาใช่ไหมศีลเป็นศึกษาไหมเป็นเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องสมาทานต้องประพฤติต้องตั้งใจลองผิดลองถูกเอาใหม่ไปเรื่ อ, อะจนกว่าจะเข้าร่องเข้ารอยนะีการใช้กายกรรมวจีกรรมจนกว่าจะเข้าร่องเข้ารอยจนกว่าไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนเพราะการทําการพูดของตัวเองถ้าคนที่มีกายกรรมกับวจจีกรรมดีอย่างนี้ปั๊บ ใจจะดีขึ้นบาดเต่าเยอะอาการกรรมจีกรรมทําให้สุดจริตสามเหล่านี้ดีเมื่อสุจริตสามเหล่านี้ดีนะคําว่าขันท่าอายตนะเนี่ยของหมูหมูเลยเพราะสุจริญสามเป็นอาหารของสติตัฏฐานสี่ใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะว่าโอ้โหยากลึกซึ้งนิ่มนจะไปยากอะไรใช่ไมกูสอนแลจิตเกิดบ่อยๆนะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไกลเลย แมมพระพุทธเจ้านี่เหมือนเห็นหลังไวๆแต่ถ้าหากว่ากุศลไม่ค่อยเกิดนะโอ้โหสองพันกว่าปีแล้วนะเราทำไมมันบุญน้อยจังนะชักพรำแล้วท้อแล้วล้าแล้วนั่นแสดงว่ากุศลจิตไม่หนาแน่นกุศลจิตหนาแน่นเนี่ยสบายแล้วทำไมอุทกดาบทกับอาราดาบทจึงยังอยู่ที่อรูปภพภูมิอยู่ใช่ไหมครับทาไมครับผิดพลาดอย่างมากผิดพลไงครับท่านครับ ก็คือเสื่อมเสื่อมจากโอกาสที่จะได้บรรลุมรคนเรียกว่าชิบหายเสียแล้วชิบหายเสียแล้วแต่ปัญหาท่านไปอย่างน้อยๆนะท่านไปอรูปปพรหมนะอรูปปพรหมสมมติว่าอุตกดาบทเนี่ยแปดหมื่นสี่พันกับพอลงมาปั๊บต้องเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์แต่ทีนี้ว่าของท่านบอกว่าท่านเนี่ยผิดพลาดแต่ทีนี้นะแล้วของเราอะเอาของเราก่อนเลยนะของเราเนี่ยนะอื อารมประพรมเนี่ยนะเอามนุษย์คืเนี่ยยังยังหวิวหิวอยู่เลยอย่าให้ชิบหายนะอย่าให้ชิบหายนั้งเราเองอะฝันก็ยังไม่อยากจะแก้ไัวมันไม่ได้ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในพูดถึงในลักษณะนี้นะคือคือเราจะไปแบบไปเสียใจยแทนพวกอาราธดาบทุธกะดาบทงั้นคนที่ที่ปัญหาที่สุดก็คือไฟไหม้ศีรษะเรานั่นแหละอย่างในน้อยที่สุดนะท่านจะอยู่ในพรหมโลกแปดหมื่นสี่พันกับ สวยแต่ความสุขโดยทายเดียวโทสะไม่เกิดแต่ของเราไฟไหมกำลังไฟไหมอยู่นะพวกเราอะ่ะ <c oughs> แล้วไงอะ่ะพรามพรามสามีภรรยาเท่าอะ่ะไปหาพระพูทธภาพไปเฝ้าอะ่ะเนี่ยบอกทำยังไงอะ่ะถึงจะได้จะตายอยู่แล้วเพราะงั้นเธอแก่มากพระพูทธภาพบอกว่ากินจีสังวรสังวรดิเนี่ยนะจะช่วย ช่วยได้เท่านั้นน่ะอย่างน้อยก็ไปเกิดบนสวรรค์สังวรเป็นได้อยังครับอย่างในน้อยที่สุดนะสังวรมีกี่อย่างห้าอย่างนะหนึ่งสี่ละสังวรนะสองสติสังวรหรืออินทรีย์สังวรนั่นเองสาญาณสังวรสขันติขันติสังวรห้าวิริยะสังวรนะ กระแสทั้งหลายในโลกกระแสคือตันหาอาวิชชาพุจริตกระแสกิเลสมณ ะ, ะด้วยกระแสทั้งหลายเหล่านี้ในโลกอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นสติสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นนะเรากล่าวธรรมะเครื่องกั้นกระแสกระแสเหล่านั้นอันบุคคลย่อมปิดกั้นด้วยปัญญ า, ป, ญญาปัญญานี้ปัญญาเกิดขึ้นปิดกั้นได้อย่างไรปัญญาเกิดเพราะอย่างไง ปัญญาของบุคคลผู้พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมปิดกั้นได้นะปิดกั้นกระแสวิชาได้ปัญญาที่พิจารณาโดยความเป็นสังขารเป็นทุกข์ก็ปิดกั้นกระแสตันหาวิชาเป็นต้นได้ปัญญาของผู้พิจารณาว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ปิดกั้นกระแสคือตันหาวิชาเป็นต้นได้หรือผู้ที่พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายมีวิชาเป็นปัจัย ก็มีมีอะไรเป็นก็ปิดกั้นกระแสได้ทำเล่าก็ไม่มีในวิบากวิบากก็ไม่มีอยู่ในกรรมใช่ไหมครับทั้งสองว่างจากกันและกันใหุ้งหลังฟังด้วยเว้นกรรมเสียผลก็ไม่มีมมนี่อยู่ในวิสุทธิมรรคใช่ไหมครับนในปัญญานิเทศเปล่าครับกัางขาวิตรังนาวิสุทธิ อธิบายก็บอกว่ากรรมไม่มีในวิบากวิบากไม่มีในกรรมแต่ธรรมทั้งสองว่างจากกันได้กันแต่วิบากจะไม่เกิดขึ้นโดยโดยมีกรรมเป็นปัจจัยได้ไหมไม่ได้ชั้นใดนะจากคูวิญ ญ, ญาณมีกุศลอกุศลอยู่ตรงนั้นไหมไม่มีโสตวิญ ญ, ญาณก็ไม่มีกุศลและอกุศลอยู่ตรงนั้นด้วยคานะชิวหากายะวิญญาณภวังคจิตก็ไม่มีกุศลอกุศลอยู่ตรงนั้นด้วย พวกนี้ว่างจากกรรมว่างจากกรรมในขณะที่จิตเป็นกุศลก็ว่างจากวิบากแต่วิบากเป็นปัจจัยจึงมีกรรมอ่าวิบากเหล่านั้นที่มีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยโดยนานาขัคนิกกรรมมาปัจจัยกรรมบางอย่างเป็นชนกกรรมให้วิบากเกิดกรรมบางอย่างเป็นอุปธรรมภักกรรมแก่วิบาก กรรมบางอย่างเป็นอุปปีและกรรมแกวิบากกรรมบางอย่างเป็นอุปอุปคาตกรรมแกวิบากกรรมบางอย่างเป็นขรุกรรมแกวิบากกรรมบางอย่างเป็นอาสัญกรรมแกวิบากกรรมบางอย่างเป็นอาจินกรรมแกวิบากกรรมบางอย่างเป็นกระตับตาวาปะนกรรมแกวิบากกรรมบางอย่างเป็นเป็นอะไรเป็นอโหติธรรมเวทนิยกรรมแกวิบาก กรรมบางอย่างเป็นอุปชาเวทนิยกรรมแก่วิบากกรรมบางอย่างเป็นอัปราปริยะเวทนิยกรรมส่วนอหิอสิมันไม่มีวิบากอ่ะเขาเลยเรียกอหิสิอหิสิก็คือมันไม่มีวิบากนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิบากเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีกรรมที่กล่าวไปแล้วเป็นปัจจัยเราสามารถกล่าวได้ไหมว่าจากักรคูวิญญาณนี้มีอะไรเป็นกรรมชนิดไหนทําให้เกิดจกักรคูวิญญาณนี้เกิดอันนะนานาคณิก ก, กรรม กรรมที่ทําให้จกักรวิญญาณเกิดต้องเป็นชนก ก, กรรมใช่ไหมฉนก ก, กรรมทําให้วิบากเกิดขึ้นเหล่านี้ถามว่ากุศลกรรมเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเห็นเห็นผู้มีศีลอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นกุศลวิบากเป็นชนก ก, กรรมให้เกิดในขณะที่กุศลเหล่านี้เนี่ยเป็นวิบากให้เกิดนะัยังมีมีกรรมมาเบียดเบียนได้ไหมไ ด, ได้ใช่ไหมกรรมมาเบียดเบียนเช่นสายตาเราไม่ค่อยดีนะักทำให้เห็นภาพไม่ชัดอย่างเงี้ย หรือไฟดับปั๊บวิบากนี้อดเลยเนคือสามารถที่จะมีกรรมมาตัดรอนได้หรือมาอุปธรรมให้เห็นชัดขึ้นเห็นดีขึ้นก็ได้หรือกรรมบางอย่างเป็นผลของเจตนาที่ทำในชาตินี้ก็มีใช่ไหมที่ทำให้เห็นสิ่งที่ดีๆเนี่ย